ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ลมพระโพธยาณกำลังนำเสนอเรื่องที่ทรงคิดคนเกี่ยวกับเบญจขันธ์ก่อนการจัดเรู้คือประเด็นที่ทรงศึกษาในช่วงนั้น mm hmm. ก็คือมองในแง่ของรสอร่อยหรืออัษฐาะความน่ายินดีกำนัดเพลิดเพลิงของ ทนทั้งห้าแล้วมองถึงอาธีนกคือโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็นำมาเทียบเคียงกันในสุดบังเกิดปัญญาพิจารณาเห็นในส่วนที่เป็นโทษในชัดเจนส่วนที่เป็นคุณมีเพียงเล็กน้อยในสุดก็คิดทางออกตีจะถามว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษบอกว่าสุขสมานัทที่ได้จาก รูปเสียงกลิ่นรสผลอไรม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวินญาณ น, นั่นเองก็ถือว่าเป็นรสอร่อยของรูปเช่นได้ไปเกี่ยวข้องกับรูปที่จิตกาหนดว่าสวยจิตก็มีสุขโสมณะจิตก็มีความรู้สึกว่านั้นคือรสอร่อยนั้นคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจ แล้วทีนี้พอเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของรูปขึ้นมันก็จะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นโทษไอ้รูปที่วาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใน้ีสุดก็จะหาทางออกให้แก่ตัวเองครานี้ถ้าเรานําไปเทียบเคียงกับธรรมะที่ทรงสอนพระอนุช า, ากับพระกนิษฐาปกรณีแล้วเหมือนกันเลยนะฮะคือพระอนุชาพระนุนนะฮะพนุน ปนันทะซึ่งเป็นพระนุชาต่างพระมาณดากันแต่พระชนภระสะกลเขียงกันแล้วท่านแต่งงานก็แสดงว่าพระชนปรรสาก็ต้องเยอะแล้วนะตอนแต่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าศัตรูแล้วพระเจ้าพระพุทธเจ้าศัตรูก็ประจัญษาก็สามสิบผ้าเต็มนะครับ ก็แสดงว่าตอนนั้นพระนุนก็คงแถวสามสิบสี่ก็แต่งงานเสร็จพระเจ้าก็ส่งบาดให้พระนุนถือให้เจ้าบ่าวนะั่ถือบาดเจ้าพาวก็ต้องถือบาดตามเสด็จโดยคิดว่าเนี่ยก็ทรงจะรับทรงใดช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับก็มีคนไปทูลเจ้าสาวให้ทราบ เจ้าสาวก็โผลนาตต่างตะโกนบอกว่าขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาโดยโดย่วนด้วยพระนรน์ก็แงนไปก็จิตกำหนัดเพลิดเพลินในเจ้าสาวนะเพราะว่ายังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวเลยแต่พอไปถึงนิคโครทธร า, รารามพุจาเราสั่งถา ม, นนมพระนรนน์จะบวชไหมพระนรนท์ไม่บวชอยู่แล้วอะแต่ว่าไม่กล้าตอบ ปฏิเสธพอรับสั่งถามเป็นการบังคับเนี่ยนนจะบวชไหมในสุดก็ต้องบวชบวช ด, ด้วยความกลัวความเคารพจำเกรงต่อพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าาด้วยนะฮะแล้วเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแต่บารมีมันข่มกันอยู่ในตัวและในสุดพอบวชแล้วท่านก็กระสานคิดถึงเสียงเจ้าสาวที่เพียกขาอยู่ตลอดพรเจ้าก็ทรงรู้ความคิด ก็ส่งใช้พุทธานุภาพเนี่ยนําไปดูหนังลิงตัวหนึ่งซึ่งอยู่นั่งอยู่ที่ต่อไม้ซึ่งถูกไฟไหม้แล้วก็ใช้พุทธานุภาพนําชมนางอักษรทั้งหลายจะรับสั่งถามนนสวยไหมสวยอยากได้ไหมอยากได้เป็นไงกับเจ้าสาวนี่ใครสวยกว่าตนก็บอกว่า เทียบกันไม่ได้หรอกเจ้าสาวถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับนางลิงรุ่นตัวนั้นหรสเุเทพกับเทพธิดาเหล่านี้ไม่ได้ทีนี้มันก็สวยขึ้นไปเรื่อยๆก็เราเจะเห็นว่าในที่สุดมันก็มองว่าไอ้ตัวอัศาธาึ้นหน้ายินดีเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเกิดต่อเนื่องกันไป กำหนัดในคนหนึ่งแล้วก็คลายความกำหนัดในคนหนึ่งเห็นไหมว่าจากความกำนนห น, ก น, น, กำนัดในเจ้าหญิงจุนนบทการยานีแล้วมาคลายความกำหนัดในเจ้าหญิงจุนนบทการยานีที่เปื้อืนเป็นลิงไปเลยเพราะว่าไปกำหนัดในนางเทพธิดาแล้วก็ในกำหนัดไอเทพธิดาเหล่านั้นก็คลายกำหนัดกำหนัดคลายกำห น, นัดไปเรื่อย ก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงในตรงนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะแล้วสุดจิตมันก็ได้หลักพระเจ้าก็ทรงใช้วิธีตอกย้ำเขาไปอีกทีนึ่งพระเสด็จกลับมาก็ประชุมพระสงฆ์บอกว่าตาตาคตรเป็นนายประการให้ให้นนท์เขานะนนก็เขาปฏิบัติกรมจันทร์เดี๋ยวจะรับประการในได้ดังอัิสรร์ห้าร้อย เพื่อนก็นล้อเป็นลูกจ้างเราแต่เจ้าคัตยะมานาก็เกิดนะเป็นวิธีซิกแซกมากเลยอธิบายวิธีเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นวิธีที่แหลมคมมากสร้างปัจจัยแวดล้อมสภาพเป็นล้อมบีบคั้นอารมณ์ให้สู้กับกิเลสคือให้มองเห็นตัวตัวโทษเนี่ยตัวอาชีนบมันให้ได้ท่านไม่ยอมเห็นเลยและสุดก็เห็น เข้าป่าเลยเจริญกรรมฐานเมื่อกี้วันนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันแล้วก็มองฟ้าพระพุทธเจ้าว่าขอเปลื่องปฏิญาณทั้งหมดที่พระเจ้ารับประกันไว้เนี่ยขอเปื้องหมดเจ้าบอกว่าตถาคตก็รู้อยู่แล้วทีนี้มาถึงน้องสาวในน้องสาวพระใหญ่เลยคือสวยมากไปรูปปนันทา น, นะฮะไปรูปที่น่าเพริดเพรืน่นจนชมยินดีก็นึกดูนะฮะว่าพี่ชายก็หรอจนขนาดว่า ประชนพรรษาตั้งเยอะแล้วสาวๆยังหลงกันอยู่เลยเพราะน้องสาวนี่ท่านหลงและท่านติดตอนเสด็จออกพันหนวดเนี่ยเข้าใจว่าพรรษาก็คงจะแถวสี่สิบแหละพระอ่อนกว่าพระพุทธเจ้ากระวานถามสี่ปีเป็นอย่างมากแต่ว่าบวชแล้วเนี่ยมันเนื่องจากในวังมันหมดคนพระยาสุโทโธนะ น, นิพพาน นางพิมพาเยโสธราเนี่ยเสด็จออกผนวดเป็นพระอาจารย์ราหุลก็ผนวดพระนรุก็ผนวดพระพุทธเจ้าก็ผนวดนางมหาประชาบดีแม่เองก็ผนวดโุษากิยานีพญาติใกล้ชิดก็ผนวดหมดเลยท่านก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงมันก็เคว้งนะฮะเลวังเนี่ยมันเคว้งนะเลยก็บวชผนวดตามแต่ไม่ยอมมองฟังเทศกับพระพุทธเจ้ากลัวพระเจ้าจะพูดถึงความไม่สวยไม่งามของรูป ท่างฟังไม่ได้พระเจ้าก็เลยออกกฎว่าภิกษุณีทุกรูปต้องมาฟังโอวาทท่านสั่งเพื่อนมาช่วยฟังแทนประเจ้ารับสั่งส่งตัวแทนไม่ได้ต้องมาเองทั้งก็ต้องมามาก็ไปแอบซ่อนอยู่หลังภิกษุณีเพื่อนด้วยกันพระเจ้าก็ทรงมีวิธีนะครับ คือบรรดาไนดะ้มีรูปของผู้หญิงสาวสวยยืนถวายงานพัดพระองค์อยู่ข้างหลังแต่เห็นเฉพาะรูปบันธานะคนอื่นไม่เห็นแล้ว ร, รูปบันธาพอมองเข้าไปก็โอ้โหผู้หญิงนี้สวยเหลือเกินเทียบกับท่านแล้วท่านสู้ไม่ได้เลยพอสาวรุ่นนะฮะสิบหกสิบเจ็ดพอจิตเธอจับอยู่ตรงนั้นจับนิ่งมีความพอใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมมันเกิดอสาทะเกิดรสอร่อยแ เป็นสุกเวทนามีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารก็ปรุงโดยความเพลิดเพลินะบิน ญ, ญาณคือความรู้ก็รู้รูปที่สวยงามขาหน้าก็ทำงานประสานกันหมดพทธเจ้าก็เริ่มใช้พุทธานุภาพไปรูปผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วเลยจากสาวสวยวัยสิบห้าสิบหกเนี่ยลดไปเป็นร้อยยี่สิบปีระยะเวลาสั้นๆ นางก็ใจคลายกำนัดไปเรื่อยสลดไปเรื่อยคลายกำนัตไปเรื่อยสลดไปเรืเ่อยจนแล้วก็ทรงสอนให้ดูมนันธาจงดูรูปเนี่ยถึงมันสวยงามแต่กลับไปอากด้วยสิ่งปฏิกูลสกปรกทั้งหลายมีการไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดระยะเวลาเลยร่างกายเธอฉันได้ร่างกายนี้ฉันได้ร่างกายนี้ฉันได้ร่างกายเธอกับชั้นนั้นเนี่ยสอนแล้วก็แปลกนะฮะคือเคยพบว่า มีหลานสาวอีกสองคนสวยเหมือนกันพระเจ้าสอนแบบเดียวกันอย่างนี้เท่านั้นยสอนให้ดูที่อัสาทะด้วยความเย็นดีซะก่อนแล้วก็สอนให้ดูที่โทษแล้วก็หาทางออกให้ในสุดทั้งก็ บ, บรรุนปรผลเป็นพระหานะพระรูปพะพนางรูปปันนันทาเนะี่ยนี่ก็คือคือการนำสิ่ง ท, ที่ทรงคิดมาตั้งแต่นู่นนั่นแหละ ก็แสดงว่าความคิดตัวนิ่มถูกหมดกลายเป็นธรรมะหลักในการต่อมาทปนี้จากการต่อไปนี่ก็รับสั่งว่าพระสั่งถึงสถานะของพระองค์นะฮะว่าตลอดเวลาเพียงใดที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยของอุปาทานาขารทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริง อันนี้เรื่องใหญ่หมายความว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นสามัญชนทั้งหลายนี่ก็คือการนั่นแหละก็คือจับใดก็จับนั้นนั่นนะหมายความว่าเราไม่ชัดเจนในส่วนที่เป็นความยินดีหรือส่วนที่เป็นรสอร่อยของอุปท า, านอาคารอุปท า, านอาคาก็คือขันทั้งห้านั่นเองแต่ที่เรียกว่าอุปท า, านเพราะว่าใจไปยึดว่าเป็นของเรา ขันห้าเป็นของเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีในเราเรามีในขันห้าเป็นการยึดเดิมหน้าทิฏฐิบางทีก็ยึดเดิมหน้าของมานะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นดังนี้นเราเป็นดังโน้เเ น, นเราใหญ่อย่างนั้นใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างโน้นคือยังนึกสลดดกถูนะคือในวงการชาวบ้านเนี่ยไม่่อยแปลกในวงการพระที่มีสมณศักิ์ มีชั้นยศมีตำแหน่งต่างๆเนี่ยแล้วท่านก็ไปหลงไหลได้ปลื้มกับไอ้สิ่งนอกตัวตรงนั้นบางทีก็เกิดตัณหาเกิดมานะเกิดทิฏฐิเกิดโทสะเคยถามผู้ใหญ่ระดับคุ้นคุนกันนะฮะเป็นสมเด็จพอถามจริงๆเนี่ยมันรึกสื่อรึกรูร้สึกอึดอัดว่าถามมาทําไมผู้ใหญ่เนี่ยเป็นถึงสมเด็จระราชากนณะทําไมจึงขี้โกรธ ทำไมจึงอะไรก็โมโหฉุนเฉียวท่านบอกว่ามันมีแต่คนอดใจคือไม่เจอหนาวร้อนจริงๆก็ลองดูในสมัยโบราณนะฮะกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยประชนมรนษาจะไม่ค่อยยืนเพราะอะไรเพราะท่านไม่เขาไม่ยอมไปถูกแดดถูกลมเลยไปไหนก็ห้อมล้อมกันเต็มไปหมดเลยยุงไม่ไต่ไรแม่ตออมันไม่มีภูมิกันทาน เพราะั้นทำให้พระชนม์มั น, นสั้นสั้นแต่ถ้าคนที่กล้านแดด ก, กล้านลมแล้วจะอยู่ได้ทนเพราะลักษณะอารมณ์ก็เหมือนกันหรือถ้าเรารับในด้านบวกตลอดระยะเวลาเลยในที่สุดมันไม่มองในแง่ลบก็ทำให้หลงกับหนัดเพลิดเพลินในเรื่องหล่านั้นแต่ตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวคุณค่าของชีวิตนะฮะมันเป็นเครื่องประดับนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยเท่านั้นเอง ถามว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมีธรรมนัสสักนะภาษาดีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็เป็น ม, มีอะไรไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าความเป็นพระมันอยู่ที่ธรรมะดูที่เครื่องประดับศีลประดับด้วยธรรมะประดับด้วยสมาธิประดับ ด, รรด้วยปัญญาเนี่ยมันคือประดับจริงๆแล้วทาให้เป็นได้จริงๆ แต่ทีนี้ถ้าไม่ใช่ปัญญามองให้เห็นในแนวของอาทิโนบ ค, คือมองหเห็นในแง่ของความเป็นโทษมันก็หมุนบนอย่างนั้นนะะก็รับสั่งว่าตลอดเวลาเพียงนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าได้จัดสรุปต่จะรู้พร้อมซึ่งอนุตตรสมาธิปุตตะยาในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมูม่สัตว์พร้อมทั้งสมรพราหมณ์เทวดาและพร้อมทั้งมนุษย์ นั้นก็แสดงว่าการจัดสรู้เนี่ยมันมีความชัดเจนหมดทั้งสามอย่างตัวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังลองสังเกตเราจะเอาเป็นแม่บทในการบริหารประเทศอย่างได้เลยเนะฮะตัวคำว่าอสสาธะเนี่ยก็คือตัวสภาพปัญหาทั้งหลายเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในโลกเนี่ย แต่เรากำหนดเพลิดเพลินชื่นชมดีสนุกสนานมีการเที่ยวมีการขนเงินอกนอกนอกประเทศกันสนุกสนานแสดงความปู่รู้งระผู้ภาคผู้เฟืยแล้วก็ไม่รู้จักประมาณอย่างสังคมไทยเนี่ยข้าราชการต้องนั่งเฟิร์สคลาสเลยเครื่อ ง, งบินเนี่โอ้โหโอ้โหชเลยนะแล้วรถเนี่ยต้องเบนนาฮะต้องเบนระดับทูดในรถต้องเบนหมดเลยต้องมีศักสีไปนั่งแท็กซี่ไม่ได้รถอะไรไม่ได้นะ ไม่รู้มันจะตายขึ้นมาหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไ ป, ไปนี่ ค, ค, คือความุ่งตัวเองเป็นหังการเป็นมามงาังค์แขนมันก็เกิดรู้สึกอร่อยรู้สึกเพลิดเพลินดีได้เป็นอย่างนั้นที่ทีอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นชาติบ้านเมืองสูญเสียอะไรไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็ป่อใจที่จะทำอย่างนี้นมีความกำหนัดเพลิดเพลินความยึดติดในสถานภาพตรงนั้น ถ้าเรายัางไม่เห็นโทษเช่นว่าโทษที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราไม่ต้องเอาอย่างอื่นนะครับลดคอร์ชัในใดซื่อสัตย์สุจริตกลับมาทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยินดีเท่าที่มีเท่าที่ได้เรารู้มาก่อนแล้วว่าทำงานตรงนั้นก็เป็นอย่างนี้คล้ายๆกับบวชเป็นพระก็เป็นอย่างนี้เรถยอมรับสภาพมาตั้งแต่ก่อนบวช ก็พร้อมได้อยู่ด้วยสภาพตรงนั้นแต่มันเปลี่ยนแปลงที่ว่าเกินสถานะที่เราจําเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นเราก็เผือแผ่เจอจานออกไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอย่างเนี้ยยกตัวอย่างมาอยู่ในระดับที่เนี้ยอย่างขนาดอาตมาอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่บางทีก็เหลือเผือขึ้นมาแต่เราก็ใช้ไปในกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่อย่างจัดรายการอย่างเนี้ย มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่เราก็ไม่ไปเรื่องไรใครหรอกมีอะไรมาแล้วก็จ่ายไปก็ ใ, ใช้ไปมันก็เหมือนกันน่แล้วเราก็ได้หมายความว่าคนที่ให้เรามาเขาก็ได้ประโยชน์เราเองก็รู้สึกได้ประโยชน์และศาสนาก็ได้อาศัยเราเราก็อาศัยศาสนาเนะี่ยมันแน่อยู่แล้วนะแต่ว่าทํายังไงศาสนาได้อาศัยเราตรงนี้เรื่องใหญ่เนี่ย มันก็มองในแง่ของอัสาทะเนี่ยที่เราเพลิดเพลินยื่นชมยินดีเนี่ยมันเป็นหลงทางอย่างที่ทรงแสดงไว้ไว่าโกนุหะโสกิมานันโดนิจังปัจฉจิเตสติอันดการเรณโอณัฐาปฏิปังนาคาเวสถ์เธอตั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่อเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าในี่ยว่าโลกสันนิวาสมันลุกโผล่อยู่ตลอดเวลาเวลาเนี่ยเธอที่ถูกความมืดทุ่มห่อเอาไว้เนี่ยทําไมไม่สแสวงหา ประชีพเป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตแล้วเพราะเรห็นว่าที่เรียกว่าอัาทะเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเฉยๆมันไม่ใช่ภาพจริงนะครับกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีถามมันได้อะไรทำบุญวันเกิดเลี้ยงฉลองกันแทบเป็นแทบตายถามมันได้อะไรกันมันก็ไม่ได้อะไรคือเราทำอะไรที่มันได้ประโยชน์มากกว่านั้นตั้งเยอะ เนะช่นสมมติว่าเราจะทาบุญวันเกิดตีสมมต้งบประมาณงานใหญ่ๆบางทีก็ว่าเป็นแสนแสนนะกิจกรรมตรงนั้นน่ะถ้าเราบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างอื่นเพราะว่าคนที่เราเชิญมาเนี่ยในวันเกิดเนี่ยเป็นคนที่เหลือกินเหลือใช้อะแต่ถ้าเราไปนึกถึงคนที่ไม่มีกินไม่มีใช้แล้วเราไปช่วยเหลือเขาหรือว่าเป็นสาธารณกุศลอย่างอื่นเช่นว่าแล้วแต่ใครถนัดนะ ถ้าใครถนัดในทางไหนเช่นสมมติว่าวันเกิดเราปีหนึ่งเนี่ยเราสร้างตำราทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาเล่มหนึ่งอาจจะซื้อก็ได้อาจจะเรียบเรียงเองก็ได้แล้วก็เผยแพร่ อ, ออกไปเป็นสาธารณกุศลส่งไปตามห้องส ม, มุดต่างๆแน่นอนคนไม่ได้อ่านทั้งร้อยเปอร์เซนหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์สาหรับคนที่เขาสนใจศึกษาแล้วเรียนแล้วก็นามาอ่าน แล้วก็อยู่ที่ที่การมองความเพลิดเพลินความมาร ე ตอร่อยตรงนั้นแล้วก็เห็นโทษชัดเจนแล้วก็หาทางออกให้ทีนี้การที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงทางออกได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าไม่มีความกําหนัดเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์โลกทั้งหลายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นของเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา พระพไทก็หลุดพน้นนะฮะส่วนช่วงพระไทหลุดพ้นเราคอยพูดในช่วงที่ให้ตัสรุ้ก่อนนะฮทีนี้ก็ทรงแสดงสถานะเป็นการยืนยันสถานะของพระองค์ว่าเมื่อไดแลเรารู้จักรสอร่อยของอุปาทานคันทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อยรู้จักโทษว่าเป็นโทษรู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออก ตามที่เป็นจริงเมื่อนั้นเราก็รู้สึกว่าได้สัจสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสมมาสมบทธ่ญาณอันนี้นเป็นญาณที่เกิดผุดขึ้นคําว่าสัจสรู้นั้นเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในพระไยด้วยพระไทยที่มีความสงบแล้วก็ไม่ยินดีในสิ่งที่เคยยินดีมีความชัดเจนในโทษว่าเป็นโทษ แต่ก็ไม่ได้ชิงชังอะไรเขานะฮคือไม่ได้รู้สึกปฏิฆะหมายความว่าในส่วนที่ยินดีก็ไม่มีราคะไม่มีโลภะในส่วนที่ยินร้ายก็ไม่ได้มีโทสะไม่มีปฏิฆะแต่ก็มีปัญญาเข้ากํากับรู้เท่าทันในใกล้ๆก็โลกกระทมันมเกิดขึ้นเนี่ยลาบยศสันเสริญมันมเกิดขึ้นก็รู้มันมันเกิดขึ้น แต่เรารู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงไปเป็นธรรมดาเพราะมันเกิดมันก็คือเกิดนะฮะตั้งอยู่ก็คือตั้งอยู่ดับไปก็คือดับไปไม่ได้ใส่ใจติดใจอะไรพึ่งวิธีการอย่างเนี้เรานําไปใช้ได้ตลอดเราลองดูว่าที่เราเพลิดเพลินสนุกสนานที่เรามีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไร ต, ต่างๆอยู่ เรายองไม่มองเห็นโทษในสิ่งที่เรากระทำกันอยู่มันมีอะไรที่จะบั่นทอนลดปัญหาลงไปได้ทั้งเยอะนะแต่เราก็ไม่ทำเองแล้วเราก็หาทางออกไม่ได้หรือว่าทางออกมันมีแต่ไม่ยอมออกเพราะอะไรเพราะมีการสยบติดมีการกำเนิดหนัดเพลิดเพลินผูกพันเลียงใเสนหาอะไรอยู่ แมนะ้แต่ว่าภาพเหล่านี้พระโพธิสัตว์เองบางพระชาติเนี่ยตัดสินมระไทยที่จะออกบวชเมียขอร้องเอานี่โยกไปโยกมาโยกมาโยกไปกว่าจะได้บวชเนี่ยตั้งแต่มีลูกมีคันลูกคนแรกจนได้ลูกคนที่สามยังได้ออกบวชแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจิตใจเราไม่ได้อิสระ คือเราจะทำอะไรตามที่เราชอบใจเราต้องการเสมอไปไม่ได้เพราะเราอยู่ในแวปวงของสังคมที่ไปเกี่ยวกับผูกพันโดยเฉพาะยิ่งคือใจเราไปผูกพันนะะแต่ขณะใดาที่ใจเรารู้สึกไม่ผูกพันคือตัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้ใจเราจะเป็นอิสระเพราะที่จริงโลกอารมณ์โลกก็คืออารมณ์โลกนะฮะเพียงแต่เราไปยึดเหนี่ยวเขา แล้วเราก็ไปคลุกคลีกับเขาไปผูกพันกับเขาไปเกาะติดสยบติดที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คมอุปาทานาขันนะฮะจุดหมายความว่าขันก็คือขันนะถ้าเราไม่ไปยึดมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นในที่มันเป็นเห็นไหมว่าคนตายเยอะเราไม่เดือดร้อนอะไรเลยคนตายเยอะที่เราเฉยเฉยคนตายเยอะที่เราดีใจคนตายเยอะที่เราเดือดร้อนถามว่าทำไมมันต่างกาันมันต่างกันอยู่ที่ยึดยังไง คนที่เราเฉยเฉยแสดงว่าเราไม่ได้ยึดอะไรคนที่เราดีใจแสดงว่าเรายึดเขาด้วยความโกรธเขาตายีะได้ก็ดีเหมือนกันแต่ที่เราเสียใจแสดงว่าเรายึดเขาด้วยความรักไอ้เหล่านี้มันออกจากใจเราไม่ใช่ว่าตัวมันเป็นตัวสร้างแต่เราเป็นตัวสร้างไปเราเป็นตัวกาหนดค่าของมันดังนั้นในกระบวนการตรงนี้การาหาทางออกก็คือแนวนี้แนวมรรคการนิโรธนะนะคือเราจะเห็นว่า ที่จริงแล้วเป็นการศึกษาในกระบวนการของอริย 4. สัจสี่ะทาความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยมันก็คือทุกข์สัจับสมุทยัยสัจโทษเนี่ยฮะโทษนี่ก็เป็นตัวสมุทยัยสัจตัวจริงๆนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสมุทยัยสัจแต่ว่าเวลาเราเรียกส่วนมากเรียกว่ากามาทีนบนะฮะคือโทษของกาที่จริงโทษที่จิตยึดมั่นหรือมั่นในกาม คือตัวมันเนี่ยถ้าเราไม่ไปเกาะมันก็ไม่มีโทษอะไรสมรหับเท่าเรแต่มันมีโทษในตัวของมันทังนั้นเองต้องฟังทนายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี